นาปฏิวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ133 1. งิภิกษุนั่งบนที่ที่ไม่ใช่กุฏีชั้นลอยสองภิกษุนั่งบนกุฏีชั้นลอยสูงพอกระทบศีรษะ3าภิกษุนั่งบนที่ที่ข้างล่างไม่เป็นที่อยู่4ีภิกษุนั่งบนกุฏีชั้นลอยปูพื้นไวา้าภิกษุนั่งบนกุฏีชั้นลอยมีเท้าเตียงหรือเท้าตัางตึกสลักกับตัว 6. ภิกษุยืนบนเตียงหรือตั้งหยิบหรือพาดจีวรได้ 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุต้นบัญญัติเวหาสกุติสิกขาบทที่8จบ